ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้มาตรฐาน 4. ผู้ที่บวชมาแล้วต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้มาตรฐานและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติมีการบังคับเข้มงวดต่อลูกศิษย์ลูกหาไม่ให้ทำอะไรตามใจตามกิเลสถ้าปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ครบห้าพรรษา จะไปไหนตามอำเภอใจที่ไหนไม่ได้เด็ดขาดเพราะยังไม่พ้นนิสัยพระผู้บวชใหม่สังเกตดูพระที่อยู่กับครูบาอาจารย์ยังไม่ครบห้าพรรษาหลบหลีกข้อวัดปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ไปก่อนจะเป็นพระที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อไปเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นไม่ได้มาตรฐานเพราะขาดการฝึกไม่ครบขบวนการในภาคปฏิบัติ จะทำให้ศาสนาเสื่อมจะเป็นพระวัดบ้านก็ไม่ใช่เป็นพระวัดป่าก็ไม่ใช่พระประเภทนี้ควบคุมตัวเองยังไม่ได้จะไปไหนก็ไปตามใจเห็นใครไปไหนก็จะตามไปปีหนึ่งหนึ่งเห็นรอบประเทศไทยตั้งหลายรอบถ้ามีโอกาสไปประเทศนอกได้ก็ไปเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้อุปถาคอุปถัมภ์พระต้องดูให้ดี สาเหตุที่ศาสนาเสื่อมมาจากเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานลูกวัดก็ยิ่งแย่